คิดถาหลวงปู่ที่จะไปทาหนังสือแปลเป็นภาษาอังกฤษเจ้าค่ะตอนนี้ได้ต้นฉบับมาที่แปลเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอยากให้หลวงปู่ช่วยเลือกว่าจะเอาบทไหนบ้างเจ้าค่ะอันนี้มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วคำแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะอแปเดียวให้ได้ดูผมเส้นแปลแป๊บเดียวจะจบแล้ อันนี้เอามาจากวัดที่แมนเชสเตอร์เจ้าค่ะมันจะทาโฆษณารับเอาดอกบัวมาโฆษณาให้คนกลาวไหวเอาไปปูชาทําไมไม่เอารูปพนมมืออย่างนี้เดใส่ปกหน้าเดี๋ยวทําโอเคค่ะเดี๋ยวจะรูปคนพนมเมือใส่ปกหน้าแล้วก<ม>ใ็ใช้ชื่อวัดนะเจ้าค่ะ<ม>แต่จะทําเล่มเป็นแบบเล่มยาวกว่านี้เจ้าค่ะแล้วให้ตัวมันใหญ่กว่านี้เจ้าค่ะแล้วหนูปูวัดสีอะไรดีเจ้าค่ ะ, ะสีสีปกอะค่ะก็ได้แต่ จะชอบอะไรล่ะสียงไหนชัดที่นี่สีเหลืองเอาสีเหลืองไหมเจ้าค่ะอืม <c oughs> จะได้ในการวจดูงวันางทีเขาจะเอาคำที่เรียสิ่งทีบุญบ้านให้เอาอย่างนูงน้นให้เอาอย่างนี้วิธีบวดให้ทําอย่างนู้นให้ทาอย่างนี้ที่คล้องที่กองคล้องวัดอ้อมว่าสีมาคล้องวัดอ้อมวาเหมือนพระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างงั้นก็มีดิบางหนังสือค่ะเพราะแต่ละทีไหนไม่สมควรใส่ไม่ใส่พระป่าต้องเอาแบบเรียบง่าย เ่ะสวดมนต์ไหว้พระมีพมิพธีจุดธูปจุดเทียนไม่มีพิธีดอกไม้เห็นเดียว ง, ง่ายกราปก็ถือพรประทานาถ้ามีแต่ดอกไม้ก็ขาดประทกแต่ดอกไม้ก็เลยไปติดบูชาดอกไม้เลยติดสวยติดงามสวยงามมันเกิดแล้ว<ไ>พระเจ้าสอนให้กาบให้ไหว้เพื่อไม่ให้มันเกิดนั่นมันเกิดตรงไหนล่ะดูลมหายใจเข้าออก<า>นั่นแหละพระเจ้าสอนให้ทาอย่างนี้แต่คนไม่ดูค่ะเพราะว่า บาปกิเลกิเลสไม่อยากให้ทำก <Okay. S 1> ิเลสไมชอบไม่ร่รวยสวยงามฉันอยากร่ำรวยฉันอยกสวยงามฉันเข้าวัดไม่ได้นั่งไม่ได้กราบไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้บทเจ๋งบ น, นึ่ศีลหธรรมบนไม่ได้บทห้าดหัวมันคือง่ายไก่อนกล้เกี่ยนกือบท่านโอ้ยใกล้ฉี่แทบหาไกล้ นี่แต่ของเย็บบดีก็กระขึ้นแล้วบ่ไม่ต้องกินไหมาไอาไปนั่งฟังเทศทาไมอยู่ไกลแท้ยินวะ <มา S 1> โอ้ยทางนั่งกว้างไม่เป็นไรหรอกถ้าฟังหมอลำมหมูจะแย่งกันเข้าหน้าถ้าไปหาพระแย่งกันนั่งหลังนีะน่ ะ, ะพิธีของคนเราไม่ค่อยสนุกสนใจพาะ นานๆมาทีมก็นั่งใกล้ๆพระใกล้ๆพระจะละความโง่หรือไม่อยากใกล้พระพระที่ตัวเดีวพระจาบอกเอานั่นบอกเอานี้สร้างเอานั่นสร้างเสรแล้วย้อนพระได้นี่เดี๋ยวกระทรไปบอกหลวงปู่ผีบอมีหลวงปู่กก้บอมีหลวงปู่กาแฟบอมีคนม้ทังตีแล้วบอมีก้มาอดมาทนเพมีผู้อดตามเกิดแต่นี่ม ung, <ใ> ráp, ันฉ <kit> ันบ่ พักใจดิไปบังคับก็เจา้ามาพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์อาพาธพระภิกษุสงฆ์ข้างพระพุทธการภาสาวกมีรูปหนึ่งบอกว่าอาพาตควรนักอย่างนี้ต้องอาศัยนิดข้าวต้มบางอันเนี่ยพอพูดแค่นั้นเทวดาได้ยินหรอก<ด>นั่นเห็นไหมหรอ<ด><ด>รู้ว่าพระองค์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ ลูกว่าเทวดาเหลือดรอนเพราะเราเลยเอามาถวายไม่ฉันเลยนี่รูกเนี่ยบอกว่าเออท่านไอ้บิณฑบาดไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆงี้นี้ต้องมีข้าวต้มอันนี้พูดแช่นั้นล่ะร่อนถึงเทวดาละ่ะเพราะนี่พระองค์ที่ป่วยทั้งหมมีสารมียานมีเครื่องอย่างลูกอีกเห็นว่ามันัมาจากที่เราพูดว่ากินข้าวเห็น พระพูดแล้ว่าเพราะข้าต้มนั่นได้ยินคำแค่นั่นก็ไม่ฉันเลยทุกวันนี้สั่งเอาสั่งเอาสั่งเอาไม่ได้สั่งป่ากิเลสไม่สั่งมิตรสั่งทำตามกิเลสขากรุ่นขาดนี่เขาบอกให้อดให้อดอีกประเทศไทยเขาฟ้องก่อนนะเด็กนี่เขาจับเขามีแล้วนะวัดไหนสุบุรี ต้องเขียนายไว้อีกด้วยห้ามถูกบุรีในที่นู่นที่นี่มีจับกันแล้วเดี๋ยวนี้ <c oughs> นี่พากันติเรื่องยุ่งยุ่งอดแค่นี้ไม่ได้จะไปนี่พ่านได้บ้างเอาหลวงปู่แหวนมาเป็นโลกอ่านนี่หลวงปู่แหวนให้กอดไงตัวก <c oughs> ันวะนั่นสมัยก่อนก่นอนน้นสมัยใหม่เขาตังเกียดก็ให้โควัชะโรกเขาติดยนัน ไปเผยแพ่ไปเลยอดแ่นี้พได้ปสอนเขาจังไดกขาพูดว่าจนตัวมันอือมันเป็นเฉพาะยาื่อนี่ยมันฟินียังกอไปนที่ไหนอันเดินเลเขาจะหาากาแฟคือกันนะกาแฟกาแฟกาแฟต่กนไปกินตะซือบก็เห็นเตกเตียตํมต้มน้าบอกต่อหม้อแห้งนั่นวันนี้กาแฟก็บพอใจต้องต้องโกโก้ต้องอย่าง กไปเมดยังต้องเข้าไปเสริมเข้าไปอีกเสริมเข้าไปอีกจว่าพิสทวีนัยเป็นในก็บฏเสียวัดนั่นกัสันวัดนี่กัสันว่าไปแเดาเพราะฉะ น, นั้นพิมพ์หนังสือก็เหมือนกันหนังสือคนเขียนไว้แต่ว่าแต่นี้บัดพร้เจ้าไม่เชื่อหนังสือตำราไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อนี่ยังแต่เขาเล่าลือมาไม่เชื่อที่เขาพาธรรมาก็ที่ว่าพระพาธรรมาเขาพาธรรมาเชือนอัะเขาคือคนโง่พระโง่ไปเชื่อทาไม นี่หลวงพูดพูดก็ไมไ่พูดให้เชื่อนะพูดรู้ฟังเอาทคำคําสั่งสองของพระพุทธเจ้ามาพูดรู้ฟังอยากให้ปราบกิเลสเวลาออกไปกิ น, กกนกไปกินไปถึแค่นั่นมีแต่เสริมกิเลสมิแต่หิวมีแต่ ต, ต, ต, ติดเข้าไปติดเข้าไ ป, าไปนั่นไปเดือดร้อนคนเดือดไปสั่งโน่นสั่งนี่สั่งโน่นสั่งนี่คำว่ามาปฏิบัติธรรมมาดหาท่าสั่งข้อ ม, มลอบใสใจตัวเองอ่ะแต่หลวงพว่อนี่ย่า่างไรแล้ว หลว่าปเา <c oughs> ป็นนุ่มว่าใส่บาตใหนจรินครับก็รู้จัดพิสัยว่าลู้เขาพะดกับเจ้าหรือว่าเจ้าอย่างนีปฏิบัติตามสุเป็นน้อยหยังต้องพูปฏิบัติตามสุเป็นอุชุยาญาสามิจิุตตลังบูญยักเขตตังโลกาตะนั่นเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าไม่มีศีลธรรม น, นี่อุชุญายะสามิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัตบบิตรงตามคําสอนของคนเจ้าแต่เราไม่รู้ เห็นว่าพรเหลอหอโตอก็จะใส่บาดอยูยุ่บอะไรพระเหลือหอโตอก็จะไปท่านในโต mm hmm. คนไม่รู้ว่เท่าว่าของหามาทุกยากลําบาก ต, ากตัดตําผู้สั่งก็จะไปสั่งง่ายๆอย่างนั้นนะ mm hmm. มันไม่เกิดมามันฉันอะไรมันไม่อิมหรอก mm hmm. <laughs> มันบังคับเขามานั่นบังคับด้วถ้าภาษาละเอียดเข้าไปอะ mm hmm. ขอเขาอะ ไม่รู้ว่าเขามีศัทธาหรือไม่มีสัทธาใช่ได้เฉพาะเขาป ร, รารถนาญาโยมป ร, รารถกก็ยินดีสามเดือนนําเขาปรารถาที่เข้าคารรษายินดีให้ใช่สามเดือนแค่นั้นถ้าเขาไม่ปรารณาก็ใช่ไม่ได้นี่ไม่รู้อะไรแต่เห็นคนนะขาดนั่นขาดนี่ขาดนั่นขาดนี่นนนนนโว้ยจะว่าทางใดล่ะ อยกุมันกนเน้ว่าเป็นพระตัวขออยัางหายหมดหายหมดต้องเลือกการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเข้าใจไหมเลือกทำทานบาื่อาตั้งน้ํังาทนทุกข์ทนมานบางคนกาติได้ยูที่นี่จ้างเขาแต่ไหนแะม่ลำบากลำบนก็มาจ้างเขาเห็นนั่นเห็นนี่ให้อีกคนนะ่ะกติดได้หายยูหายจิ้มเขาฮักฟักเส็โอ้ <c oughs> ภาพงาตางน้ำเพราฉะนั้นพ่อแม่กรูาจาตะก่อนสมัยก่อนโอ้ยมันเคยเกรงกัวอังที่บานมันไดื parable, rolling, ed, bundle, ้อมันไม่เมินเหมือนทุกว wow. ันนี้หรอกพ่อแมู่บาจานไว้ยเพรดดินแทนดินสลุลงไปสันว่าได้หรือม่นันก็เมื่อใดเหนื่ได้ไรติสันได้ไรเตรียมไอ้ขอด่ดีเป็นถือเท้ามาแล้วกีมแล้วเห็นบุลงหรือล่า ที่เสียนแช่นี่เมื่อไรอันที่ตอนนี้ยังถืีแทบแค่ได้บด <c oughs> <c oughs> โดยจะไม่สมัยก่อนไม่ได้ตังเอาตามใจอย่างนี้นะแจกอย่างมากที่สุดดิจานสองจานเท่านั้นอาหารนำมารวมกันนำมารวมกันมินตรภาพสามกิโลส่หรือวันให้คนเดียวเต็มไปหมด สายคน เ, ยเต็มไปหมดอยากให้เร่งภาวนาทำบุญบุญอาหารใจเข้าน้ำภชนะอาหารอาหารกายอยากให้เร่งจุดนี้อยากให้เข้าใจเรื่องทำบุญในตัวของเรามีกายก็มีใจใจมันตายไม่เป็น พัฒนาร่างจิตตังธรมธรมชาติใจของคนเราทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่มาเกิดท่านพุทธเจ้าหาศินหาธรรมมาสอนสัตว์โลกเพื่อให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อมาให้มาเกิดได้ยินไหมเกิดเป็นทุกข์หรือไม่กลัวทุกข์กับเพราะการเกิดเพราะเราไม่เห็นความทุกข์กันเพราะการเกิดเราก็เลยไม่กลัวนี่อยากเกิดอยากเกิด จำไหมร่ลำรวยตืดเืมตาขึ้นเกิดแล้วเห็นเขาสวยงามเกิดแล้วนั่นหรือคนเป็นอยู่ของคนมิตรปรุงให้ร่ารวยปรงให้สวยงามแต่งให้ร่ํารวยแต่งให้สวยงามหาวิธีร่ารวยหาวิธีสวยงามนี่มโนโลกมโนใจถ้ารู้สิ่งนี้เป็นมโนโลกก็หยุดน่น <c oughs> เข้ามาดูใจเข้ามาแต่งใจเข้ามารักษาใจ สถานที่อย่างนี้สถานที่รักษาใจนะนี่มีจะทาตามจิเลศจะรักษาตรงไหนสิไม่รักษาใจอ่ะรักษาใจให้อยู่ในศีลธรรมไม่ใช่ให้แสดงความโลภถ้าไปขอขากรโลอบแล้วนะาาว่าเป็นตบกุบาอาจารย์บ่เมีอนั่นหรนี่โทษเอากุบาอาจารย์เป็นโลกนั่น่เจ้าเสี่ยวถึงไม่้อยากใมโยมไปยุ่ง ไปไปีวัดมาถากจะขอาก็ได้ไปหาขอเขาไม <c oughs> ่มีจะไปใส่หนังเลยไม่มีบุญกุศลศาสนาปรมีเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องอยู่ต้องกินต้องถกต้องฉขนแล้วอยากให้เข้าใจอยากให้แน่นหนาภาคทำบูญไม่ได้ไปวัดก็ทำอยู่บ้านก็ได้เหไมวันหยุดก็ขนม้พระยุ่งนั่น แทนที่จะทากิเลสช่วยพระขนมาให้ไม่พอไม่พอไม่พออุป <c oughs> ัฏตาณ า, า, าจะเจริญรุง่งเรืองไปจากพุทธบริษัทสี่ภิกษสุสามเณนอุบ า, าสกอุบ า, าสิกาอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิก า, า, า, กาคือผู้หญิงช่วยพระสงฆ์รักษาศาสนาโยมไม่ค่อยมาหลวงปู่เลยถามไม่ใจไปบ้านโยมน่ะออม่อนพระในพรรษาไ ด, ไดุ้ลได้ พระเลงพระวนหน้ามาถนนใ ก, กล้ตีออกงพัศาต่ไปจากร า, าท่านี่บดเราบอกเลยนี่ก็หลายวัดก็ไม่พ้นไปฟังเตปได้โอกาสได้รู้ได้กับเอาแฟนมาวัดบ่ไดน้นไปบ้านาใค่แหนเขาดึงแฟนได้แต่เห็นถ่าเห็นหนังในเขาได้บอกเขาถืว่าพระมีประโยชน์หยัางมาเห็นทางไหนมีความหมายอย่างพระขึ้นอนเขาจาบังค บ้นไม่ได้เช่าเขาไม่ได้ซื้อหาศีลหาธรรมหาจิตหาใจแต่งจิตแต่งใจแล้วษาจิตใจก็มาบอกพระคือผู้รักษาใจไม่แสดงออกซึงความโลภความโกรธความโลภมาจากไหนอยากล้ำรวยก็เกิดความโลภอยากสวยงามไม่สวยงามก็โกรธโลภโกรธนะในพอใจก็โลภโกรธนี่ก็บังใหญ่แต่ว่าท่องเตยๆให้ละความโลภให้ละความโกรธพูดอย่างนั้นะ รูดรูดไหมอาการมาจากไหนสาเหตุมาจากไหนจึงโรกเพราะเราไม่ทําบุญเพราะเราไม่มีปัญญาไม่เห็นใจดั้งเดิมว่ามาเพื่ออะไรนะวันจะได้มาจุดนี้ไม่ใช่ของยากของง่ายนะเป็นของอยากนะ <S <S ติดโฉมมนุษย์สัพพิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่คนนะภูมิของมนุษย์อยู่สูงกว่าคนอีกติดโฉมมนุษย์สัพพิลาโอการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นรามาติดติดชั้นพุธธะทธสมุปปะดัง เดี๋ยมมีกี่โลกโลกนี้มีกี่แห่งนับถือพุทธศาสนาติดชังสัตธรรมัดสวัสังการได้ฟังทำคำสั่งสอนของผูดเจ้าการได้พบได้ฟังได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังครบบริบูรณ์แล้วนะแต่มีแต่ชื่อนะีในเมืองไทยน่าสลดตังเวทน่าละอายถ้าคิดแล้วมีแต่คตรโกงกันมีแต่โกงกันมีทะเลาะกันมีแต่ให้มือใหญ่สาวได้สาวเอา น้ำท่วมยิ่งสนุกสาวเอาสาวเอ า, า, เอาละัดผันนาผันมาช่วยเหลือประชาชนคนไดคนจนแตงง่งเงินให้ที่ให้ไปเที่ยวค่าเที่ยวค่านั่นค่านี่เออเอาลงไปก็หมุนไ่าใ่เตลิดใจหามอมเมาใส่คนขี้เกียจขี้ขาดแต่งให้นคนขี้เกียจติคขานหมดทุกวันจัดเนี้ไปเยอะๆเพราะนั้นรีบเล่น เรามีสติปราเรียบเรื่องขนขวายอีกไม่นานเราก็ไปแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกสงสารร้อยปีหมื่นปีนะมาแป๊บเดียวก็ไปมาสร้างบุญสร้างกุศลใจตุ้งดวงมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญเข้าใจไหมเรามาเนี่แปลว่าบุญเก่าถ้าเราอยู่อีกต่อไปด้วยบุญก็เราก็กลับไปบ้านก็ได้บุญด้วยถ้ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้วเข้าใจไหมบาป ค, คืออะไรตินี้ แต่เราไม่ทำบุญเราไม่รู้ว่าบาปหละขนของไปให้พระยุ่งไมล่ะก็แฟไม่ให้พร ะ, ะติดบบาปอีกยาไม่ให้พระทุกก บ, บาปอีกบวกชอบนว่าได้บุญแต่เนี้แบบบอกชอบเแต่พระลาบากพ่ได้บุญได้ บ, บาปอะนั่เห็นว่าะม่ได้ฉันไ่ได้คือกบมา ก็เลยหาเดี๋ยวนี้ยัางไงด้บัดเสียบปักเอาปัป๊บหลดนัน่นน้ำห่อนด้วยกาแฟกับนิผสมกันตุงติงตรอย่างบ อ, อาจจะแนวอื่นต่ำทุดมืึสดๆถ้พอกาแฟกับฟ้าแล้วนัน่นก็เลยแก้เขาแก้เขาแดงเขาแดงาดง <c oughs> บ่หัวของไม่ได้มมบ่ยืดไ่อยากอองโลกแต่ว่าก็บอเรื่องป่านตัืทองบอกตัเรื่องยูตัจินเอาคนมาฆ่าตแนวนี้ บ, เ บ, บ่เอาเรื่อง น, นี่จเานว็ดหนูไปติต้งปากก็ท่องปากเป็นเอกยิ้ว่าผมจยว่าเข้ามาปากเป็นเอก<ม>อันดับหนึ่งอ <c oughs> ันว่เกิดว่าแกว่แกว่ตายว่าะไรมันสนุกยิ่ได้เรื่องของคนแต่เปนบ่เทียงบาตรห้าสบนาศานาเพราะว่าใจตัวนี้มัตายพเป็น อยากให้นี้อยากให้ไปก็ร้อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากงคึอกันะ่คน ะ, คะคนก็ไม่ได้หูจักยึดใจไวนะ้หน้าจะสัตยังกลือสัตว์โลกไปไม่ได้ ก, กับยัง่ายยุงสี่เด้อเพราะนั้นแะเพราะว่าเตือนตอนเองตนเตือน ต, อ น, ต, อ น, ตอนไม่ได้ใครเราจะเตือนคนอื่นสอนหาเกิดโมโะนัะ่นต้งควพอว่องสียพราะพอใจแขยดคือกันแล้ โตสอนตนทำเอาจึงได้คุ้กอะไ้ภาษาบละแปลบละ